เปิดข้อแลแ้เราก็เละแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยนทุกท่านรวมทั้งผู้ใหญ่บูร์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานในวันนีนะ้วันนี้พวกเรามาด้วยเหตุสำคัญก็คือเพื่อมาร่วมทำบุญ แล้วก็จะเรียกว่าเป็นการฉลองเป็นการเฉลิญมุทิตากับผู้ใหญ่บุ์เข็มเฉลิมนะซึ่งมีอายุครบ73ปีในวันนี้นะพวกเราก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลนะซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของนะชาวพุทธไทยนะเพื่อให้เกิดความเปสิริมงคล แ่ท่านพูดเป็นเจ้าของวาระนี้ก็คือผู้ใหญ่พิบูลแต่ว่าวันนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่ เ, เรียวกว่าลูกศิษย์หรือว่าผู้ที่เคารพนับถือผู้ใหญ่พิบูลได้มาร่วมกันไม่ใช่เพียงแค่มาทำบุญตามประเพณีเฉยๆแต่ว่ามา ปรึกษาหารือนะเป็นกิจกรรมในทางสติปัญญาในหมู่เครือข่ายตาตวนออกแล้วก็ผู้ที่เชื่อมั่นในเรื่องของวนันเกษตรได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ต้องเรียกว่า เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองส่วนในวันนี้ก็คือประโยชน์ในทางธรรมและก็ประโยชน์ในทางโลกประโยชน์ในทางธรรมนั่นก็คือการบำเพ็ญกุศลนะหรือว่าการทำบุญนะประโยชน์ในทางโลกนั่นก็คือการมาเสวนาวิสาสะเพิ่มปูนสติปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับการ ทำให้แนวคิดเรื่องนนัณเกษตรตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันได้ตั้งมั่นแล้วก็แพร่หลายนะเพราะว่าพวกเราแต่ละคนก็มาจากที่ต่างๆกันแล้วก็ต่างคนต่างก็มีกิจกรรมที่หลากหลายเรียกว่า แตกแนนกันออกไปมากมายแม้ว่าจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เรื่องของวัฒนเกษตรหรือว่าเก ษ, ษตรอินทรีย์ความหลากหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าได้มาแลกเปลี่ยนกันทั้งในแง่ของแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ก็จะช่วยทำให้เกิดความรุ่งรวยนะ ทางด้านประสบการณ์แล้วก็ทำให้สามารถทำให้แนวคิดนั้นเนี่ยมันแปลผลเป็นการปฏิบัติและการปฏิบัตินั้นเองเนี่ยก็จะสามารถจะสังเคราะห์กันให้กลายเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งต่อไปได้เพราะว่าแนวคิดเรื่องของวรรณเกษตรหรือว่าเกษตรอินซีเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนานต่อไป และเราคงจะไม่อาจพัฒ น, นาได้ถ้าขาดประสบการณ์ที่เอามาสังเคราะห์จากเอามาสังเคราะห์เป็นบทเรียนจากประสบการณ์ที่หลากหลายพวกเราที่มามาร่วมกันในวันนี้นะพวกเรากำลังทำสิ่งที่สำคัญนะซึ่งพอเพีย่างพูเนี่ก็ได้ริเริ่ม ทางทางเอาไว้มาเกือบ30ปีที่แล้วโดยอาศัยประสบการณ์ที่ล้มลุกลุ ก, ลกคลานบ้างสำเร็จบ้างเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความหมายมากนะต่อต่อสังคมไทยในปัจจุบันมีความหมายทั้งในแง่ของการช่วยฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเพราะเราก็คงทราบดอยู่แล้วว่าไม่เฉพาะเมืองไทยแต่โลกทั้งโลกเนี่ยกำลังเกิดวิกฤต ด, ด้านธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อ <c oughs> มเมื่อต้นเดือนที่ผ่านต้นเดือนนี้เองก็มีการประชุมการระดับโลกเป็นการประชุมขั้นสุดยอดเรื่องความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศข้อมูลที่ออกมาล้วนแล้วแต่ น่าตกใจนะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะทำไมถ่ถ้าเกิดไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคงไม่เกิน 30-40 ปีนี้ก็จะเกิดเรียกว่าวินาศภัยกันทั่วโลกเพราะอุณภูมิมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า2องศานะภายในปี50หรือว่า2 0 5 0นะ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องมีการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างจริงจังและพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ก, กับธรรมชาตินอกจาก ประโยชน์หรือว่าคุณค่าในทางธรรมชาติและนิวมทิยาแล้วเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจด้วยเพราะว่าโดยพาะในยุค ป, ปัจจุบันที่เศรษฐกิจการคลื่นวิกฤตในการที่เราพยายามชักชวนกันหามาพึ่งตนเองไม่แต่เฉพาะในเรื่องของปัจจัย4แต่รวมถึงเครื่องอุปโภคบางอย่างที่จําเป็นต่อการใช้สอยในทรัวเรือน ตนะอนนี้ก็พอ่อพี่ใหญ่พ่บุญก็พยายาผักดันในเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องอยา่าเรื่องข้าวเรื่องอาหารเท่านั้นแต่ว่ามีเรื่องอื่นด้วยเช่นสบู่หรือว่าสิ่งจำเป็นที่ใช้สอยกันในชีวิตประจําวันและสิ่งเหล่า น, นี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันช่วยลดภาระทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรือนไปได้เยอะนะแต่ว่ามันมีความหมายมากกว่า น, นั้นก็คือมันเล่นให้ เกิดการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่เราพยายามทําในเรื่องของอาหารการพึ่งตนเองในเรื่องของอาหารนี่ก็สําคัญเพราะว่าเราก็คงทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยแนวโนกที่อาหารนี่จะมีราคาแพงขึ้นราคาสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นความจริงทั่วทั้งโลกนะตอนนี้ทั่วทั้งโลกนี่ก็ตระหนักแล้วว่าที่ผ่านมาเกิด25ปีเนี่ยล่เรยเรื่องของเกษตรกรรมนะเกษตรกรรมเนี่ยถูกล่าเลยไปเนี่ย มาเป็นเวลา25ปีและเป็นอย่างน้อยทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยหลายประเทศตอนนี้เริ่มกลับมาหันมาพัฒนาเรื่องเกษตรกรรมนะเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนปริมาณอาหารเราคงทราบหลายประเทศเนี่ยนะมาเช่าที่ดินในเมืองไทยหรือว่าในแอฟริกาในบางประเทศในเอเชียเพื่อเพื่อที่จะปลูกอาหารเพื่อที่จะปลูกพืชทางการเกษตร และส่งอาหารกลับไปยังประเทศของตัวเช่นมาปลูกข้าวที่เมืองมามาปลูกข้าวที่เมืองไทยส่งกลับไปที่ตอนออกกลางหรือว่าเกาหลีนะแล้วก็มีหลายประเทศที่หันมาลงทุนด้านเกษตรกรรมมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยอาศัยเกษตรกรรมแนวกระแสหลักก็คือว่ า, าทำํำใช้ปุ๋ยให้มากขึ้นมีการลงทุนด้านการ ทำชนบททานให้มากขึ้นนะอินเดียตอนนี้นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะที่เขาจะกําลังเนี่ยทุ่มทุนเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อที่จะเพิ่มสมรถสมรถภาพในการผลิตข้าวผลิตอาหารให้มากขึ้นนะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ใช่ทําตามกระแสหลักแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารอย่างน้อยในระดับชุมชนได้ นอกจากเรื่องสิ่งวัดลอ้อมนอกจากเรื่องของอเศรษฐกิจกแล้วเนี่ยนะในเรื่องของสังคมเนี่ยวกกรรณเกษตรหรือว่าเกษรอินทรียมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยให้แน่นแฟนมากขึ้นแทนที่จะอยู่แบบตัวใครตัวมันตามวิถีชีวิตแบบะแสาหลักนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยพึ่งพาสายกันแล้วนะ คนก็อยากได้อะไรก็ไปห้างสปปรรพสินค้าไปเที่ยวห้างไปเซว่อีเลฟเว่แต่ว่าการที่จะทําอะไรร่วมกันอย่างที่พวกเราทำเนี่ยมันน้อยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการพยายามทําให้เกิดเครือข่ายที่จะแลกเปลี่ยนกันนะร่วมมือกันและบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นใน ในครัวเรือนในชุมชนมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเป็นมิติอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบันนะเป็นมิติทางสังคมนะของการร่วมกันนะเพราะเราไม่ได้พึ่งตนเองอย่างเดียวแต่เราพึ่งพาอาศัยกันด้วยในรูปของเครือข่ายเบองไทยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรียกเครือข่ายสังคมเนี่ยมันมีน้อยมากเดี๋ยวนี้คาว่าเครือข่ายสังคมเนี่ย เขาใช้กับแวดวงคอมพิวเตอร์โซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยเวลาพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คนี่เขาหมายถึงว่าพวกที่เป็นสมาชิกไฮ f i เฟซบุ o กเพี่เวาอาจจะบางอจจะเคยได้ยินนะคะว่า Hi-Fi Facebook มันก็คือเครือข่ายสมาชิกที่ อ, อยู่ในแวดวงคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์หรือเครือข่ายสังคมตอนที่มีความหมายแค่นี้มันไม่ได้หมายถึงการที่คนเนี่ยมา ร่วมมือกันพบปะ ก, กันแลกเปลี่ยนความเห็นกันดบดตัวต่อตั ว, ตวหรือว่าเอายามาเอาเอ า, เอาสมุนไพรมามามามาแบ่งปันกันเอาพันเอาพันข้าวพันไม้นี่มาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เขากำลังพูดกันในปัจจุบันเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ยากแล้วคนไม่มีเวลาที่จะมามาเจอกันแบบนี้แต่เจอกนผ่านอินเทอร์เน็ตนะ แล้วก็คุยว่าเนี้อีอย่างเครือข่ายสังคมในเฟซบุ๊กเนี่ยมีคนสามร้อยล้านคนเป็นสมาชิกแต่ว่ามันมากแต่ในแง่จำนวนแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยจ ร, จริงๆไม่มีให้คนที่เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กเนี่ยไม่มีเวลาให้กับลูกไม่มีเวลากับพ่อแม่นะก็เยอะแยะไปนะเพราะว่าลูกก็ไปเข้าเครือข่ายสังคมไฮไฟอีกแบบหนึ่งพ่อเฟซบุ๊ก แม่ก็ลูกก็ไฮไฟด์แล้วก็เลยไม่ได้คุยกันขนาดในบ้านเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยนะมาเป็นการพยายามสร้างขยเครือข่ายให้เกิดมีขึ้นเป็นเครือข่ายสังคมที่เป็นของจริงที่เราพกปากกันนะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่เขาที่ประสบการณ์แต่ว่ามาให้กําลังแกแก่กันและกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สังคมกําลังขาดนะตั้งแต่ระดับครอบครัวนะ ไปถึงในระดับประเทศระดับโลกก็ได้นอกจากเรื่องของสิ่งแวดน้อมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสังคมนะต่อมาคิดว่าสิ่งสาคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการฟื้นฟูมิติด้านจิตวิญญาณมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราห่างเงินธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงความสุข ด, ด้านในได้คนเราถ้าห่างถ้าห่างไกลธรรมชาติภายนอกแล้วเนี่ยนะ ก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงธรรมชาติด้านในได้คนเราเนี่ยเมื่อเราใกล้ชิดกับธรรมชาติเราก็จะมีความสุขความสงบแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะธรรมชาติมันไม่ใช่อะไรเลยมันคือกระจกสะท้อนให้เห็นตัวเราเองเวลาเราอยู่อย่างสงบในธรรมชาติแบบนี้นะ ท, ที่ว่าล้องไปได้วยป่ามันไม่ใช่ทำให้เราสงบอย่างเดียวแต่ว่าเราจะทาให้เราได้เห็นจิตของใจของตัวเราเอง ถ้าเราไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านนะการมาอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยมันทําให้เราได้ใกล้ชิดตัวเราเองแล้วก็มันทาให้เราเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นวัตถุคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเวลาเขาสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าธรรมชาตินี่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ให้ข้าวให้น้ําแต่ว่าเขายังเห็นธรรมชาติเนี่ย ในมิติที่ลึกซึ้งด้วยเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกข้าวเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขามองว่านี่เป็นการทําบุญด้วยอาจารย์ร้องเพลงแก้วนะเป็นคนเมืองเพชรบุรีเล่าว่านเนี่ยตอนเด็กๆ เ, เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเวลาจะปลูกต้นไม้เนี่ยเขาจะท่องขาถา ก, บ ด, ก, าดาถากบดินเพราเราก็ยดิมแม่ขาถากบดินนะ พุทธังพลาผลนกกบะเป็นบุญคนกินเป็นาทานธรรมังพลาผลนกกอะเป็นบุญคนกินเป็นทานสังฆังพลาผลนกกอเป็นบุญคนกินเป็นทานคือเราก็ปลูกต้นไม้เนี่ยเขาไม่ได้นึกแต่ว่าโอ้ต้นไม้นี่จะให้ให้ให้ไม้ให้ผลมไม้ให้ยาแก่ฉันเมื่อฉันปลูกต้นไม้ฉันไม่ได้ขอให้ต้นไม้ตัตเร็ยๆ เ, เพื่อฉันจะได้รวยเร็วไ แต่ว่าปูกต้นไม้เนี่ยเพราะคิดถึงนกคิดถึงคนที่จะมาใช้ประโยชน์จากต้นไม้เป็นการทำบุญไปด้วยในตัวอันนี้คือความสามารถที่ลึกซึ้งหรอมอตดกับธรรมชาติว่ามนุษย์เราสรัมพัสกับธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เกรงแค่ว่าธรรมชาติจะให้อะไรเราแต่ว่ายังโยงไปถึงอาศัยธรรมชาติเป็นสื่อนะที่สัมพันธ์กับสัตว์เช่นนกเป็นต้นแล้วก็คน แล้วก็ลวไปถึงการที่เห็นว่าในธรรมชาติเนี่ยมันมีสิ่งที่ ส, ทสิ่งที่ลึกซึ้งที่น่าเคารพหลวงพ่อคำเขียนนะอาจารย์พาตมาเนี่ยเราว่าตอนที่พ่เป็นเด็กเนี่ยไปเลี้ยงควายเลี้ยงควายเนี่ยพ่อแม่ก็จะแล้วผู้ใหญ่ก็จะกำชับนะเวลาเลี้ยงควายเนี่ยเวลาจะอาบน้ให้ควายเนี่ยนะก็ใช้มือนะอย่าใช้เท้าเตะน้ำนะ ใช้เท้าเป็ดน้ำเนี่ยเพื่ออาบน้ําเพื่อลดน้ำควายเนี่ยมันมันมันไม่ถูกมันกิดผีอาบน้ําก็จะไปฉี่ในน้ำํำอันนี้คําสอนคอาําอธิบายคือว่ามันมันกิดผีหรือว่ามันมันมันไปถึงที่ไม่ค ร, รบธรรมชาติแต่ว่าความหมายที่ลึกเกินนั่นคือว่า การทําให้มนุษย์เราเนี่ยรู้จักความน้องกับธรรมชาติมากขึ้นอันนี้ธรรมะคือเป็นมิติด้านจิตวิ ญ, ญญาณที่สําคัญมากเพราะถ้าเราเคารพธรรมชาตินะการที่เราจะเคารพเพื่อมนุษย์และเคารพสัตว์ในคณะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่สังคมไทยแล้วก็สังคมโลกขาดแคลนะปนัญหาของโลกในปัจจุบนนันมันเป็นปัญหาวิกฤตด้านจิตวิ ญ, ญญาณ การที่เราทำลายธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสาเหตุของปัญหานะแต่มันเป็นผลจากปัญหาที่อยู่ลึกซึ้งภายในก็คือวิกฤตภายในความคิดแบบวัตถุนิยมนะที่เห็นธรรมชาติเป็นเพียงแค่สิ่งสนองความต้องการของเราเห็นธรรมชาติเป็นเพียงแค่สิ่งที่จะให้ไม้ให้ยาให้อาหารแก่เราเท่านั้น แตไไไ่ไม่สามารถจะมองเห็นถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งไปกว่า น, นั้นว่าธรรมชาติก็มีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่าที่เรามองเห็นด้วยตาหรือสัมผัสด้วยด้วยด้วยกายหรือด้วยมือเท่านั้นนะและสมาธิว่าเคลือข่ายเคลือก่ายที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ได้มันจะมีความหมายเท่าในแง่ของนิเวศวิทยาในแงเ่เศรษฐกิจ ในแง่สังคมในแง่จิตวิญญาณซึ่งในที่สุดแล้วทั้งหมดนี้เราก็เรียกรวมมันก็จะ ก, อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงเราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าความสัมพันธ์ทางอํานาจก็ได้หรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นการเมืองแบบหนึ่งก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้สึกถึงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวนะ ไม่ไม่สยบยอมต่อผู้มีอำนาจหรือผู้ที่อยู่เหนือกว่างา่ายเพราะเราสามารถเทียบขึ้นตนเองได้เรามีศักดิ์ศรีของเรานะถึงแม้เราจนถึงแม้เราเป็นประชาชนธรรมดาเราก็ไม่รู้สึกว่าเราต้อยกว่าคนอื่นเราไม่รู้สึกว่าเราต้อยกว่าคนรวยเราไม่รู้สึกว่าเราต้อยกว่านักการเมืองหรือรัฐมนตรีนะเพราะว่าเรารู้ดีว่าคุณค่ารือศักิ์รีของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ข้างใน นะไม่ได้ที่เงินทองไม่ได้ไม่ได้ที่ชื่อเสียงเกียรติยศหรือหรือตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างผู้ที่อยู่สูงกว่าเราในทางสถานภาพนะเราจะสามารถที่จะเรียกว่าเทียมบาเทียมเทียมหลายกับเขาได้ เพราะเราเชื่อมั่นในศักยาภาพของเรานะเราไม่ใช่เป็นแค่รัษฎรนะแต่ว่าเรามีศักดิ์มีสีไม่น้อยไปกว่ารัฐมนตรีไม่น้อยไปกว่าเศรษฐีอันนี้ทํอมาเชื่เป็นมิติทางการเมืองอย่างหนึ่งนะเพราะว่าประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะการที่ประชาชนเนี่ยเขารู้สึ ก, ก็มีศักดิ์สีถึงแม้ว่าเขาจะจนถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีตําแหน่งแต่เขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่า เศษฐีหรือว่านักการเมืองพระทมตรีพระธมคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยากจะให้กำนองใจว่ามันมีค่าและเราควรจะภาคภูมิใจแต่เราก็ต้องยอมรับและก็ตระหนักว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะมันเป็นการทวนกระแส มันเป็นการทวนกระแสของของโลกนะมันทวนกระแสบริพนค์นิยมกระแสบริพนธ์นิยมบอกว่าความสุขอที่วัตถกุกระแสบริพนค์นิยมบอกว่าความสุขมีเมื่อคุณคุณจะมีความสุขได้ถ้าคุณเสพถ้าคุณบริพภ์เยอะๆคุณมีเงินทองมากๆนะบริพนค์นิยมบอกว่าความสะดวสบายคือพระเจ้าแต่สิ่งที่เราทำเนี่ย มันอาจจะไม่สะดวกมัอาจจะทําให้ชีวิตไม่สะดวกสบายเพราะว่าแทนที่จะไปซื้อเอาใช้เหมือนซื้อนอนซื้อนี่เราก็ทำเราเองเอันนี้ไม่สะดวกสบายแน่แต่ว่ามันสามารถให้ความสุขกับเราได้แต่คนที่จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับชีวิตและให้ความหมายแก่ชีวิตของเราเนี่ยมันเห็นยากนื่องสิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นการ ทวนกระแสสังคมมากนะแต่อาจจะไม่ทวนกระแสโลกาภิวัตน์นะมันทวนกระแสบริบทนิยมแต่ไม่ทวนกระแสโลกาภิวัตน์เพราะว่ากระแสโลกาภิวัตน์นั้นเนี่ยนะตอนนี้มันก็มีคนทั่วโลกนะที่เขาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายนะแล้วก็หันมาทำอย่างที่พวกเรากำลังทำอยู่ ในญี่ปุ่นก็มีคนจนนไอ่น้อยเนี่ยกลับไปทานาคนหนุ่มสาวกลับไปทำนาในยุโรปในอเมริกาก็เหมือนกันบ้านดินก็เป็นตัวอย่างหนึงนะว่าอันนี้นก็เป็นผลผลกระแสะโลกาภิวัตนะเอาความรู้ต่างๆที่ีเนี่ยมาแบ่งมาแลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้บ้านดินในเมืองไทยก็กลายเป็นเกิดจะเป็นแฟชั่นแล้วมันไม่อาตมาทก่ามันไม่ทวนกระแสะลกาภิวัต กาษาโลกาพิวะอาจจะส่งเสริมด้วยซ้ําสิ่งที่เราทําแต่ว่ามันทวนกระแสบริโภคนิยมแล้วก็ทวนกระแสกิเลส ข, ของคนนะมันยากการที่เราส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจให้เกิดวรรณเกษตรหรือว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะว่าไปแล้วมันเหมือนกับการเข็นครบขึ้นภูเขานะเวลาเราเข็นครบขึ้นภูเขาเนี่ยมันก็มันไม่ใช่หนักแค่ครบนะ จแรงเสียดทานด้วยแรงเสียดทานของภูเขาแลงเสียดทานของของพื้นดินแรงเสียดทานนี่หมายถึงอะไรเวล า, าทํางานแล้วก็จะมีคนจำนวนมาก mm hmm. เขา mm hmm. เขาเย้ยหยัน mm hmm. นะว่า mm hmm. พวกเราไม่มีอนาคตหรือว่าดูถูกพวกเราหรือว่าหัวเราะเยาะว่าทําไปทําไมนะนะ mm hmm. อาจจะ เยอะอยักว่าเป็นพวกโง่พวกบ้าก็ได้ซึ่งก็เป็นธรรมดานะคนที่ทํางานแบบนี้เนี่ยก็จะต้องถูกคนหัวเราเยาะอย่างน้อยก็หาว่าโง่หรือบ้านะคนที่หวังดีปรารถนาดีกับเราก็จะบอกว่าเนี่ยทำไปทําไมทำแล้วได้อะไรนะโง่หรือเปล่านะอย่าง อย่างร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธ์ที่ปลูกต้นไม้มาสามสิบยี่สปีมาแล้วเนี่ยมีคนคนํานวณว่าปลูกได้สเกือบสองล้านต้นแล้วเนี่ยใหม่ๆก็มีปัหาว่างโง่ปลูกไปทําไมปลูกให้คนอื่นทําไมให้ปลูกที่บ้านตัวเองทำไม ไ, ม ไ, ป, ไปปลูกข้า ง, นงถนนแล้วปลูกแล้วได้อะไรต้นไม้มันโตรหรือเปล่านะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เดี๋ยวนี้คนก็ยกย่องมันมากขึ้นแลนะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการเข็นครุกขึ้นตูบเขา มันทวนกระแสกิเลส ข, ของคนทนะวนกระแสวริโุทธที่ผมซึ่งเป็นกระแสหลักในสังคมแต่ว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราเห็นว่าสิ่งที่เราทําที่มีคุณค่าและไม่ใช่แค่เห็นเฉยๆแต่ว่ามีฉันทะด้วยมีฉันทะคือความชอบการทํางานถ้ามีมีฉันทะเนี่ยมันทําไปได้ไม่ตลอดนะคนเราจะทํางานก็ทําได้2 อ, อย่างเท่านั้นแหละหนึ่งทำด้วยฉันทะหรือ2ทําด้วยตัณหา ปัญหาก็เช่นว่ารางวัลที่จะได้รับเช่นคนจะยุ่งไม่น้อยทํางานเพราะอยากจะได้เงินเดือนไม่ได้ชอบหรอกแต่ทำเพราะอยากจะได้เงินเดือนอันนี้เราทํำด้วยปัญหาทํำด้วยกิเลสแต่ทําด้วยฉันทานี่หมายความว่าทําด้วยใจรักนะจะได้เงินหรือไม่ได้เงินฉันก็ทําเพราะฉันรักที่จะทำนะถ้าเราเราจะทําเราจะเข็นพว่ขึ้นภูเขาได้เนี่ยต้องมีฉันทะนะ และฉันท่านเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเพียรและความเพียรนีมน่มันมันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างกันมากเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยตมาเมื่อต้นปีเนี่ยตมาได้ฟังข่าวข่าวหนึ่ง น, นะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับที่พวกเราทำนะแต่มันได้ข้อคิดดีเป็นเรื่องของคุณป้าคนนุมชาวเกาหลีอายุหกเกือบหกเจ็ดสิบแล้วแกต้องการไปขับขี่ แกอยากได้ไปขับขีแล้วแกสอบเนี่ยนะตอนทาตมาไดฟังขาวน่เมือม่อเมื่อต้นปีทแเนี่ยแกสอบมาแล้ว770ครั้งแล้วประสอบไม่ได้แกสอบมาตั้งแต่ปีสีแล้วแกสอบแทบทุกวันนะปีสีดเนี่ยถึงต้นปี52เนี่ยมันมันเกือบพันวันปแล้วนะแกสอบไปแล้ว770ครั้งสอบไม่ได้ แต่ว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่ได้ข่าว่แกสอบได้แล้วเมื่อต้นเดือนพฤศจิแกสอบสนะสอีกครั้งสรางไหมแกสอบ950ครั้งนะเมืองไทยนะสอบ3ครั้งไม่ได้ก็เลิกสอบแล้วซื้อเอาเลยใช่ไหมไม่ซื้อก็ใช้เส้นมี2องอย่างฝากใ ห, ให้เอานำบัตรของใครคนใดคนหนึ่งไปให้ เจ้าหน้าที่สอบน่ออ่ะช่วยอานวยความสะดวกให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวก็สอบได้แนละ้วหรือว่าซื้อเสฉยๆนะไม่ต้องสอบแต่ว่าประเทศเกาหลีนี่สงสัยว่าวิธีนั้นทําไม่ได้คุณป้าคุณที่ก็เลยใช้วิธีสอบเอาแกเป็นชอ็อปแกเนี่ยเป็นเป็นแม่ค้าขายผักแล้วก็แกต้องการขับรถเนี่ยไปขายผักแตแก่แกขับรถไม่ได้เพราะแกไม่มีใบเบรกคีบแกก็เลยต้องไปสอบสอบข้อเขียนอย่างเดียวนะ ก็เขียนมี50ข้อข้อละสองคะแนนแกสอบไม่เคยได้ไม่เคยได้ไ ม, ไ 6, ไม่ไม่เคยได้60คะแนนเลยคือสอบไม่เคยถูกถึง30ข้อเลยแต่ก็ไปสอบทุกวันทุกวันทุกวันนะจนคนก็รู้จักแล้วก็แกก็ดังไปทั่วโลกแต่ตอนนี้แกสอบได้แนละ้ววาตมาฟังข่าวเนีโอนับถือเลยนะว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรมากแค่ไปขับทีอ่ะเพื่อจะขับรถไปส่งผักอ่ะนะ แต่ควาเชื่อถ้าเราเนี่ยมีมีความเพียรอย่างนั้นนะโอไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะไม่สําเร็จนะเข็นครบขึ้นภูเขานะเข็นไปเข็นไปได้สักสินาทีแล้วก็หมดแรงก็ตกลงมาอา้าวไม่เป็นไรเข็นใหม่นะเข็นแล้วเนี่ยไปได้ครึ่งทางเหนื่อยปล่อยให้ครบตกลงมาอา้าไม่เป็นไรขนใหม่นะสักวันหนึ่งมันจมได้นะ ไอความเพีลงนี้เนี่ยพระมหาชนกเนี่ย ท, ท่านท่านท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะพระมหาชนกเนี่ยพวกเราคงทราบใช่ไหมที่เรือเรือเดสมุทรเนี่ยจมเอ่เรียกว่าอับปางและต้องรอยคออยู่ในทะเลรอยคออยู่ในทะเลหมองไม่เห็นฟังนะพระมหาชนกนี่ก็ว่ายน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนจนกระทั่งนางมุนีเม่ขลานี่ซึ่งเป็นผู้รักษาทะเลเนี่ย เอเอไปไปเที่ยวเพินไปหน่อยกว่าจะรู้ว่ามีมีบุรุษอาชาญายนี่ไว้นั่งในทะเลเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ก็ผ่านแล้วเจ็ดวันเจ็ดคืนก็เลยมาก็แปลกใจว่าทําไมพระมาชนองเนี่ยไม่อ้อนวอนวินวอ น, วอนขอเทวดาทําไมถึงมีความเพียรขนาดนี้พระมาชนม์ก็บอกว่าคนเราเนี่ยแม้คนเรานี่ต้องทําความเพียรมนนาบนี้ไม่ขลังว่าเพียรแบบนี้ตายเปล่า พระมหาชนกก็บอกว่าคนบุคคลเมื่อทำความเพียรแม้จะต้องตายก็ไม่เป็นหนี่ใครญาติพี่น้องหรือเทวดาและมนุษย์ก็ไม่สามารถติดเตียนได้คนเราเน่ยเมื่อเมือม่อเมือม่อทำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ไม่หวั่นเกรงว่าจะเกิดผลอะไรตามมามมคือคนเราเนี่ยถ้าเราทำความเพียรแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ไปยุติด ถ้าเราไม่ไปยึดติดถือมั่นกับเรื่องผลยังไงเนี่ยนะมันก็จะไม่มีท้ององ่ายแต่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยท้อเพราะว่าเวลานี่ถึงผลแล้วเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้มันไม่สําเร็จทำไม่กี่ทีก็ท้อเพราะเราไปยึดติดถือมั่นหรือไปคาดหวังกับผลมากแต่ถ้าเราไม่คาดหวังกับผลแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํำดีๆเนี่ยต้องแน่ นะเราก็จะมีความเพียรและมีความ้าคภูใจแต่สมาชิกเชื่อนะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความเพียรแล้วเนี่ยนะนสุดคลบกมันจะหนักแค่ไหนภูเขาสูงแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องถึงวันยางค่ำนะมันต้องถึงสิ่งที่เราทำใหม่ๆก็อาจจะมีคน คนวิทา์พกวิจารณ์คนหัวเราอยยอแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอแรงเสียดทานที่ว่าเนี่ยมันก็จะหายไปคนก็จะกลับมาชื่นชมยินดีเลยเพราะเมื่อเราเราสำเร็จในอย่างพระเบบิบูรเนี่ยนะใหม่ๆเนี่ยก็มีคนก็หัวเราอยยอฟว่าทำอะไรนะแต่หลังจากที่ทำและพิสูจน์ให้เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ย สิปี20ปีเนี่ยคนที่เคยหัวเรายอนะเขาก็ยอมรับแม้แต่ราชการนะที่เคยหัวระะเรายกนี่ก็เริ่มยอมรับแต่ยอมรับแล้วจะทํารือมาอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าก็เริ่มยอมรับแล้วโดยเพอเมื่อเราประสบความสําเร็จนะเหมือนกับเวลาเราเห็นเขาขึ้นภูเขาเนี่ยไปถึงยอดได้เนี่ยนะโอ้มาสบายแรงเสียดทานไม่อยู่นะโลกนี้ดูสดสวย เวลาเรามองจากยอดเขาเนี่ยโอ้มันเห็นชิวชิวทัศสวยงามใครๆก็ชื่ชนชมยินดีกับเราที่เราไปถึงยอดไม่เหมือนกับตอนที่เราเข็นอยู่กลางกลางเขาเนี่ยนะมันมีแต่คนว่าคนด่าคนคนคนดินทาแต่พอไปถึงยอดแล้วก็มีเสีงเชียร์นะอากจะมาเชื่อคนเราเมื่อทาความเพียรนะมันก็จะถึงตรงนั้นได้นะ แล้วเราก็จะเราก็จะเริ่มนะมีเวลาที่จะชื่นชมผลงานของเราอย่างไรก็ตามเนี่ยตากมาก็อยากจะมองต่อไปว่าพวกเราหลายคนในที่นี้เนี่ยอตาตมาเชื่อว่าในที่สุดไม่ช้าไม่มานก็จะก็จะประสบความสําเร็จแล้วเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ยอมรับได้รับคําสรรเสริญ เหมือนที่พอพระพยยวิบูเนี่ยก็เคยได้รับมาหรือว่าหรือว่ายังได้รับมาอยู่ในตอนนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาตมาคิดว่าอาจจะยากกว่าตอนเห็นก็คือบุกเขาเก็คือตอนลงจากภูเขาขึ้นเขาเนี่ยกว่าจะถึงยอดนี่ถือว่ายากนะแต่ประสบการณ์ของ หลายคนที่จะมารับรู้มาเนี่ยไอสิ่งที่ยากกว่าคือตอนลงเขาหลายคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ย <c oughs> เขาใช้ความเพียรพยายามมากกว่าจะถึงต้องต่อสู้กับอุปสรรคเยอะแต่พอได้รับความสําเร็จแล้วและเมื่อถึงคราวที่จะลงจากความสําเร็จไม่ยอมลงลงไม่ได้จนบางบางทีต้องถูกถีบลง เช่นคนอย่างเราเห็นนักการเมืองจำนวนมากที่ประสบปาะสบในชีวิตเนี่ยขึ้นมาเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นถึงประธานาธิบดีเป็นแล้วเนี่ยนะแปดปีก็แล้วสิบสองปีก็แล้วไม่ยอมลงใช่ไหมสุดท้ายก็โดนเขายึดอำนาจอันนี้ตะวันเรียกว่าถูกถี้ลง แต่ในบางสังคมเนี่ยมันต้องลงเองเพราะว่ากฎหมายก็บังคับอย่างเช่นในประเทศอเมริกาเนี่ยคุณไปประณ น, นิพพดีเนี่ยคุณไปได้สองครั้งสองสมัยแปดปีคุณต้องลงถ้าคุณไม่ลงเนี่ยคุณแย่แน่แน่หลายคนนะพอลงมาแล้วเนี่ยอะไรอย่างประธานาธิบดีคพินตันเนี่ยเพนตันเป็นคนเก่งมากเป็น ผู้ว่าการรัฐอาคารซอในอเมริกาหนุ่มที่สุดแล้วก็เป็นประธานดีเนี่ยไม่หนุ่มที่สุดนะแต่ว่าก็หนุ่มมากอายุแค่สี่สิบต้นๆแล้วก็ได้รับความนิยมมากในสุดท้ายของการเป็นประธานดีของเขาเนี่ยเขามีคะแนนคะแนนนิยมเนี่ยสูงมากเจ็สิเอร์ซซึ่งน้อยมากที่ใครจะมีได้รับความนิยมแบบนั้นแต่ว่าพอเขาออกจากลงจากตําแหน่งประธานดีนะ เขาชีวิตเขหมอยเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนตอนประธานดีเนี่ยไปไหนก็มีแต่คนเชียร์คนต้อนรับเขาเคยเล่าเนี่ยเล่าเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนผมเป็นประธา น, นาธิบดีเนี่ยผมไปที่ไหนมีคนบรรเลงเพลงนะผมไปที่ไหนเนี่ยมีมีคนบรรเลงเพลงคลงแบบ้ายๆเพลงแบบเพลงแบบเพลงแบบเพลงราชการนะแตบบ่ถ้าเป็นเมืองไทยก็เพลงมาเรื่องมหาชัยนะนะี่ไง แต่ก่อนที่ผมไปที่ไหนเนี่ยมีแต่เสียงเพลงบรรเลงต้อนล้วแต่ถึงตอนนี้เนี่ยมันไม่มีเพลงบรรเลง น, นะบางทีผมยังสงสัยเลยผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาพูดมาแล้หลังจากที่เขาออกหมดสิ้ตําแหน่งแล้วเจ็ดปีนะนั่นเขาก็เลยพยายามลุ้นให้เมียเขาเนี่ยเป็นประธา น, นาธิบดีเพื่อเขาจะได้เป็นจะได้กลับไปไปทําเนียบข่ายอีกครั้งหนึ่งเมียเขาคือคีรีเคิลตันที่เป็นคู่แข่งออกับโอบามา ยิ่งเขาพยายามรุงเมียเท่าไหร่ยิ่งเขาพยายามหาเสียงให้เมียเท่าไหร่เนี่ยคนก็ยิ่งเกลียดคินหน้ามากขึ้นเพราะว่าเขาใช้วิธีการที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยสุภาพก็กลายเป็นว่าแทนที่จะได้เป็นได้รับความนิยมมากขึ้นกับเสียคะแนนิยมแล้วก็โอบามากเ็เลยชนะไปส่วนหนึ่งเพราะเหตุ น, นี้อันนี้เป็นตัวอย่างคนซึ่งเมื่อไปถึงความสําเร็จแล้วเนี่ย ซึ่งยากแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าก็คือการลงจากความสำเร็จลงจากจุดสูงสุดในชีวิตเมื่อคนที่ขึ้นเขา Everest, เอเวอเรสต์นเอเวอเรสต์นี่เป็นเขาที่สูงที่สุดในโลกคนไทยมีคนเดียวมางที่ขึ้นไปถึงตร ง, ตรงนั้นได้มันมันอยู่สูงนะ8กิโลเมตรเขาเอเวอเรสต์เนี่ยอากาศแทาไม่มีเลย แล้วคนจํานวนมากเนี่ยไปถึงนะแต่ว่าคนจํานวนน้อยกว่านั้นที่กลับมาถึงพื้นดินได้อย่างมีลมหายใจหลายคนตายขาลงไม่ใช่ขาขึ้นนะขาลงเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเพราะว่าเวลาอยู่บนเขาแล้วเนี่ยพ่อบออยู่ได้นเนี่ยไม่เกินสักไม่เกินชั่วโมงถ้าคุณอยู่นานกว่านั้นเนี่ยคุณลงมาเนี่ยมันตึกมันมืด หรือว่ามีพายุแปรปวนถีบมาถล่มคนตายคนตายตอนขาลงนี่เยอะมากขาขึ้นเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นง่ายกว่าขาลง น, นี่นนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องต้องสังวรระวังว่าเมื่อเราเมื่อเราเข็นครบขึ้นภูเขาไดจ้จนจนยื่ยอดเขาเนี่ยเราจะลงมาได้อย่างไรอย่างปลอดภยัยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากกว่า เลยเพราะสาหรับคนเก่ง น, นะคนเก่งเนี่ยขึ้นไม่ยากนะแต่มันยากตอนลงเพราะไม่ยอมลงนะหรือว่าลงแล้วลงไม่เป็นปีนี้เนี่ยเป็นปีครบ40ปีของการที่มนุษย์เนี่ยไปถึงดวงจันทร์นะ40ปีพอดีนะที่มนุษย์ไปถึงดวงจันทร์เนี่ยโครงการอพอลโลเนี่ยเขามียนานอวกาศในส่งคนไปไปดวงจันทร์ มีคนไปถึงดวงจันทร์หรือว่าวนรอบดวงจันทร์ประมาณประมาณสี่สิบคนได้เอายี่สิบคนได้ประมาณยี่สิบคนได้ตรงนี้น่าสนใจหลายคนเนี่ยเลือกเกิดทั้งหมดนะที่ไปถึงดวงจันทร์หรือว่าไปเดินดวงจันทร์ได้เนี่ยเวลาเขากลับมาถึงพื้นโลกเนี่ย ชีวิตเขาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนในทางที่ดีนะเปลี่ยนในทางที่ไม่ดีก็เยอะเพราะว่าตอนที่กลับมาถึงพื้นดินเนี่ยถึงพื้นโลกเนี่ยโอ้ยเป็นที่นิยมเป็นที่ยกย่องใครๆก็ถ่ายรูปไปที่ไหนก็ก็ดังแต่ดังได้ไม่นานนะคนก็ลืมแล้วหลายคนเนี่ยมาถึงพื้นโลกแล้วเนี่ยยังทำใจไม่ได้ ยังหวนคิดถึงตอนที่ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะานัอวากาศนับินอวากาศเนี่ยความสําเร็จสูงสุดในชืวอคือการไปถึงดวงจันทร์ไปถึงแล้วกลับมาพื้นโลกทําใจไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันท้าทายแล้วกลับมาหลายคนนึกว่าจะได้กลับไปต่อ กลับที่ไปบนดวงจันทร์ใหม่แต่ว่าโครงอาร่มก็ปิดกลับมาต้องกลับมาทำงานในออฟฟิศมานั่งออกแบบจากคนที่เคยเตรียมตัวมาเป็นปีปีเตรียมตัวมาเกือบคน10สิบปีเนี่ยเพื่อที่จะไปถึงดวงจันทร์ไปถึงเสร็จกลับมาพื้นโลกเป็นคนดังอยู่สักพักหนึงแล้วกลับมาก็ต้องมานั่งอยู่ทำงานในออฟฟิศธรรมดาๆรรทาไม่ได้ลาออกหลายคน เป็นโรคซึมเศร้าบางคนติดติดเหล้าเพราะยังอะไราความสำเร็จซึ่งเป็นความสำร็จสูงสุดในชีวิตคือไปถึงดวงจันทร์การไปถึงดวงจันทร์นี่ยากแล้วนะยากมากเพราะคนที่ไปถึงได้ต้องใจกล้าเข้มแข็งแต่การปรักมาจากดวงจันทร์มาถึงพื้นโลกนี่กลับยากกว่าแปลกั้มไปถึงดวงจันทร์มันน่าจะ มาถึงพื้นโลกมันน่าจะง่ายใช่ไหมเพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นโลกประจําแต่ว่า20คนที่ว่ามาเนี่ยส่วนใหญ่กลับมาแล้วเนี่ยไม่มีความสุขเพราะว่าได้ผ่านความสำเร็จ ส, สูงสุดในชีวิตมาแล้วเมื่อนคนที่ขึ้นไปถึงยอดแล้วเนี่ยพอคุณลงมาแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่มีอะไรแล้วชีวิตมันไม่มีอะไรแล้วนะให้ตระหนักื่อตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญนะ พวกเราหลายคนก็ในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตถึงแม้สิ่งที่เราทำจะยากความสำเร็จในที่นี้จะไม่ใช่หมายถึงการร่ำรวยอะไรนะั่นแต่การหมายถึงการทําสิ่งที่ยากให้สาเร็จแล้วก็เป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อถึงยอดแล้วมันก็ต้องลงถึงเขาแล้วเนี่ยก็ต้องลงจากเขา ความสเร็จสูงความจุดสูงสุดในชีวิตนี่มันไม่เคยอยู่นานมันก็อยู่ประเดี๋ยวประดาแล้วก็ต้องลงทำงานเราถึงจะลงมาแล้วเนี่ยลงมาจากความสำเร็จหรือลงมาจากความสำเร็จสูงสุดในชีวิตแล้วเนี่ยเรายังมีความสุขได้เราไม่ อ, อไรย์อดีเรายอมรับปัจจุบันได้ถึงแม้เราไปไหนมาไหนไม่มีคนรู้จักเราก็ไม่เป็นไร ไม่มีเสียงบรรเลงเพลงต้อนรับอย่างทิ้งต้านเราก็ไม่มีความไม่มีความทุกข์แล้วก็ยิ้มได้เพราะเรารู้ว่านี่เป็นธรรมดาของชีวิตเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาของโลกธรรมบางครั้งเนี่ยคนรานั้นมันยังไงก็ต้องลงนะอาจจะลงเพราะว่าครบเทอมหรือลงเพราะว่ามีคนอื่นมาแทนที่อย่างดาราเนี่ยนะมันก็ดารามก็ดังได้ไม่นานหรอกอายุสักสามสิบสีบสบก็ต้องลงแล้ว นักการเมืองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีได้ไม่กี่สมัยก็ต้องลงหรือว่าบางทีเราลงเพราะเราแกชา่ชราอายุเราพลานามัยเราไม่เราเร า, เร า, เ, ราเราไม่ไหวนะเราก็ต้องกเกษียณแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จ ะ, ะให้คนอื่นเขาทาต่อไปแล้วคนเราเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะด้วยวัยหรือจะด้วย อายุก็าตามนะหรือด้วยพลานามัยเนี่ยมันก็ต้องอ่อนแรงลงไปถึงตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือเรียนรู้ที่จะปล่อยมือเรียนรู้ที่จะวางวางมือปล่อยให้คนอื่นเขาได้ได้ทำ หรือว่าปล่อยวางจากความสำเร็จที่เราเคยเคยยึดถือเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่เราจะวางมือได้เราต้องวางใจนะถ้าเราถ้าเราวางใจถ้าเราถ้าเราวางใจไม่ได้เนี่ยมันก็วางมือไม่ได้วางใจนี่หมายถึงอะไรวางใจนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ใจบางคนมือวางมือแล้วแต่ใจไม่วางอันนี้ก็ถูกนะหรือว่าบางทีเรา เราเรายังกังวลถึงเรื่องงานอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะมีความสุขได้พวกเราหลายคนต่อไปก็จะเป็นก็จะเป็นก็จะเป็นผู้ใหญ่ะเป็นผู้วุโสนะบทบาทที่เราจะทำต่อไปอาจจะไม่ใช่เป็นการไปไปขับเคลื่อนด้วยตัวเองแต่การให้กำลังใจคนรุ่นใหมนะ่ถึงตอนนี้แหละนะที่เราจะต้อง ต้องเรียนรู้ที่จะวางบทบาทใหม่ mm hmm. ก็คือการการให้คนรุ่นใหม่เขาทาแล้วเราก็ให้ความช่วยเหลือดูแลเขาอันนี้อาเชมาเรียกว่าเรียก ว, ว่าการการวางมือแล้วก็วางมือได้ต้องวางใจวางใจว่าเขาจะจะทำได้ พ่อแม่นี่บางทีไม่พ่อแม่บางคนที่เก่งมากเนี่ยนะทำธุรกิจมาจนใหญ่โตสำเร็จบางคนทำไปจนตายนะเพราะพไม่ยอมปล่อยให้ให้ลูกทำกลัวว่าลูกจะทำได้ไม่ดี8 0แล้วก้8วแแล้วยังไม่ยอมพักนะเพราะไม่กล้าไม่กล้าวางมือให้ลูกทำและที่ไม่วางมือเพราะไม่วางใจไม่วางใจลูก ในตมาเขียวตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราไม่ถ้าเราทํานี้ไม่ได้ในสุดเนี่ยงานเนี่ยจะไม่ใช่ของเราแต่เราจะกลายเป็นของงานไปเราจะกลายเป็นของงานงานไม่ใช่ของเราการในทางพื้นศาสนาในเรื่องการการการปล่อยวางด้วยการตั้งจิตเป็นอูเบิขาที่สคัญมากเป็นดูเบิดขา อันนีอยตมาก็ก็ก็ฝากเอาไว้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าบางทีเรามักคิดว่าถ้าไม่มีเราแล้วคนอื่นจะทำได้ดีเท่าเราไหมใช่ไหมไม่มีเราคนอจะทำได้ดีเท่าเราไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ไม่ไว้ใจลูกเพราะก็กลัวว่าลูกจะทำได้ไม่ดีเหมือนพ่อแม่หรือบางทียวคิดว่าถ้าไม่มีเรานีโลกจะเป็นยังไงนะก็มีการคิดแบบนี้ได้เหมือนกัน แต่ว่าให้มั่นใจถี่ว่าถึงแม้ไม่มีเราโลกก็ยังหมุนได้ตามปกตินะบางทีเราเราต้อง อ, อย่าไปยึดติดอย่าไปจะไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากว่าถ้าไม่มีเราแล้วโลกจะโลกจะโลกจะไม่เหมือนเดิมอันนี้บางทีมันเป็นเรื่องอัตตาด้วยก็ อยากจะฝากเอาไว้นะเพราะว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยอาจจะเป็นการมองมองไปไกลๆสักหน่อยนะแต่คิดว่าคงจะไม่ไม่ไม่ไม่ไมกลเกินไปเพราะว่าพวกเราในที่สุดไม่ว่าจะในฐานะของคนทำ ง, งานเพื่อสังคมหรือในฐานะของคนที่เป็นผู้บริหารหรือในฐนานะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องมาถึงจุดนั้นที่จุดที่เราเลย เลยหรือผ่านจุดสูดสงสุดในชีวิตเลยหรืผ่านความส็จสูงสุดในชีวิตไปแล้วแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำใจอาตมาคี่ว่างานสำคัญในชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่ ง, งานที่ทำไม่ใช่เป็นงานทางสังคมอย่างเดียวแต่เป็นงานด้านใหม่ที่เราต้องทำด้วยพระมาชนกเนียเมื่อหลังจากที่ท่านได้ครองราชครองราชไปแล้วเนี่ย ในสุดก็พอถึงเวลาก็ออกบวชมือนก็เพ่ะไปสันดอนพรอไปสันด อ, อนดอนี้ก็กลับมาครองราชแต่ครองราช ถ, ถึงจุดหนึ่งก็ออกบวชคนที่ครอง้าแล้วเนี่ยบางิีไม่กล้านะไม่กลาสลัดสมบัติให้ลูกกลัวว่าลูกจะปกครองได้ไม่ดีเท่านะแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นพระทีศัตวิ์ที่ท่าน ถ้ารู้ดีว่านะงานที่สําคัญนอกจากงานปกครองแผ่นดินให้สงบสุขแล้วก็คืองานภายในการออกซึ่งซึ่ ง, งสัญลักษณ์ของงานภายในคือการออกบวชแต่ไม่ได้แปลว่าต้องไปออกบวชเราไม่ไม่ไ้ว่เราต้องออกบวชนะแต่หมายถึงว่าให้เราวางวางมือวางใจนะแล้วก็หันม า, าทํางานด้านในเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะ ในพศาสนาเนี่ยการทํากิจกับการทําจิตเนี่ยมันต้องคู่กันทํากิจจะทําจิตที่จริงมันไม่ได้แยกกันนะในรอบที่เราทํางานเนี่ยต้องเป็นการปฏิบัติทําไปในตัวด้วยเราทํางานแล้วต้องรต้องัวในการลดละกิเลสไม่ใช่เพิ่มพูนกิเลสถึงแม้ว่าเราจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมากมายแต่ว่าก็ก็ปล่อยวางมันได้ทําไปก็รู้จักปล่อยวางบ้าง บางทีเราพัวทั้งงาไม่เสร็จงานไม่เสร็ จ, ารจอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะสวนโมกเนี่ยที่ท่านสร้างอาคารต่างๆที่ท่านสร้างเนี่ยมีคนถามว่าหลวงพ่อทําไมอาคารนี้ก็ไม่เสร็จอาคารนั่นก็ไม่เสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอาคารพวกนี้ท่านบอกว่าเสร็จทุกวันเสร็จทุกวันวเวลาทํางานเราก็ให้มันเสร็จทุกวันนะ มันค้างแต่นอกมันค้างมันงานมันค้างแต่งานงานนอกตัวแต่ในใจนี่มันมันวางได้มันเสร็จทุกวันไม่ใช่นอนทุกวันก็เอามือกันหน้าผ่าว่าโอ้พวกนี้จะทำอะไรดีงานยังไม่เสร็จทุกทีคนทํางานคนขยนันคนเก็บนี่มักจะเครียดนะเครียดเพราะไม่อยอมปล่อยวางงานกินก็กินก็คิดนอนก็คิดป่วยก็คิดคิดแล้วทําอะไรไม่ได้นะ แต่ถ้าเรามอ อ, อปล่อยวางได้เพราะมันเสร็จทุกวันหรือถึงแม้เราตายวันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะว่ามันต้องมีคนสืบทอดต้องมีคนทำต่ออันนี้แหละคือสิ่งที่มันสิ่งที่เราควรเรื่อยๆจากงานการแตรมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็ฝากเอาไว้ ว่าอยากจะสุขคัว่าสิ่งที่เราทำม่มีความหมายมากมีคุณค่าทั้งในทางนิวิทยาในทางเศรษฐกิจสังคมแลว้วก็ในทางวัฒนธรรมจิตวิญญาณแ้วก็เป็นงานยากนะที่เราต้องใช้ความเพียรมันถึงจะเข็นขึ้นภูเขาได้แต่ขึ้นแล้วนี่ก็ก็ต้องยอบเลราวสักวันเราก็ต้องลงแล้วก็ถ้าเราถึงเวลาที่เราต้องลงเราก็ลงได้ ยังมีความสุขนะไม่อะไรอดีตปล่อยวางได้แล้วก็อย่างนั้นแหละที่มันจะทำให้การทำงานการเป็นการปฏิบททัติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดนะแล้วก็แนวกาสที่เป็นลูกพรามาเนื่อง น, นด้วยความร้ลึกถึงพระวิปูณนะที่ได้ อายุครบ73ปีซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของพวกเรานะก็ก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้ช่วยกันอโนยวยความสตั้งจิตให้พ่อวิจัยิบนะูเมีสุขภาพพลนานามัยนะที่เข็นแข็งยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกว่าอายุมั่นคงยิ่งเป็นเป็นร่มโพล่มสายให้กับพวกเราทั้งบัณชิตและก็คลึหักแล้ว ก, ก, วก็ให้ได้รับความสุขนะในขณะที่ ให้มีโอกาสได้ชื่นชมผลงานที่ตัวนี้ได้ทำแล้วก็สามารถที่จะวางใจเป็นเด็กขาไดนะ้เป็นในช่วงชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นช่วงชีวขาลงเนี่ยนะมันก็มีอะไรที่ให้เราได้ชื่นชมผลงานของเราได้ก็รวมทั้งได้ใช้โอกาสนี้ในการจเจริญทาทางานด้านในและทำงานด้านนอกอาจจะทาได้ไม่เต็มที่แต่ว่างานด้านในก็มีอะไรให้เราได้ทาเยอะก็ขอให พอเบียได้ประสบความเจอแ้ะอกงานทั้งในเรื่องขององานภายอกและงานภายในม่เพื่อเตรียมทีเป็นมิ่นขวัญให้กับพวกเราสืบต่อไปขอเจอคร